คือสายข้อแคซอยกับสายมงโกลอยคือมองโกลนะพวกมงโกลพวกทิเบตพวกจีนหรือคนเหนือเราตาชั้นเดียวนะผมเหยียดผิวเหลืองอมน้าตาลอะไรเง้ยสำหรับข้อแคซอยหนึง่งเขาแบ่งเป็นสองครับข้อแคซอยขาวคือที่เป็นฝรั่งมังค่าแล้วข้อแคซอยดําก็คือคนที่อยู่ที่แอฟริกานะและนอกนั้นก็ถือเป็นมงกลอยทั้งสิ้นครับ แต่ดูเหมวิธีแบ่งของนักโบราณคดีจีนนั้นไม่กินคลุมไปถึงออสตราลอย ด, ด้วยครับนี่คือจุดอ่อนของนักโบราณคดีจีนเราไม่รู้จะจัดออสตราลอยให้เป็นมองโกหรือเป็นข้อไขสอยดีเหมือนผมจะพูดออกมาอิงมีวิชาการแล้ไม่ค่อยสนุกนะทีนี้ผมจะอ่านจากลักษณะสูตรหลักฐานที่จะให้เราเกิดจินตนาการนะครับเกี่ยวกับลักษณะรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก่อนนะครับ สำหรับลักขณาสูตรหรือมหาบุริตรักขนานี้นะฮะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองท่านเล่าว่าฤาษีบางตนท่องบนมนคือลักษณะของมหาบุรุษนี้ได้แต่ไม่รู้ว่าลักษณะอันเลอเลือนี้ได้ด้วยเหตุบุคคลกรรมอะไรนะฮะ บ, บรรยากาศครั้งกันโนนก่อนหน้าพุทธกาลนะครับก็มีข่าวเล่าลือว่าเพราะผู้รู้จะเสด็จมาในโลกนี้ ดังนั้นฤาษีชีไพรรวมทั้งโกนธัญญะด้วยคนหนึ่งเห็นไหมฮะที่เมื่อถ่ายลักษณะพระกุมารแล้วนั้นก็ออกบวทรอเวลาที่ให้เจ้าชายออกบท ด, ด้วยด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นแล้วพระองค์ท่านจะขนถ่ายสรรพสัตว์ไปสู่พ้นนิพพานร่วมกับพระองค์ความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ไม่เหมือนกับความคิดของปัจเจกที่ว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมด้วยตัวของเราแล้วเข้าสู่นิพพานได้แต่มีคติความเชื่ออีกประเภทหนึ่งที่ว่า ด้วยอาศัยร่มบารมีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะขนถ่ายศัก์ทั้งหลายไปสู่พระนิพพานได้แต่พร้อมกันนั้นก็เชื่อมั่นในพระเจ้าพระองค์ก่อนเรียกว่าอนาคตตะวงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่จะมาในอนาคตนั้นเราทำบุญสร้างมุรลสั่งสมบารมีเพื่อพบกับพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วอาศัยร่มโพล่มสงท่านเข้าสู่พระนิพพานได้ ความเชื่อช น, นี้ครั้งอดีตผมคิดว่าเป็นปึกแผ่นมากครับเหมือนที่ผมบรรยายข่าวก่อนว่าปัจจุบันนี้ความเชื่อในเรื่องการสร้างบารมีนั้นอ่อนแรงลงนะครับคนไม่เชื่อเรื่องบารมีเชื่อเรื่องเงินเชื่อเรื่องอำนาจอะไรกันมากขึ้นก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นนั้นในหมู่พวกพราหมณ์ชั้นสูงกด็ดีหรือลือศีชีพรที่บวชอยู่เข้าใจว่าคงทรงจำพระสูตรลักษณะของมหาบุรุษ ผมเชื่อว่าเพื่อจะได้ไว้ตรวจสอบเมื่อพบบุรุษบุคคลใดเข้าเขาลักษณะเช่นนี้แล้วจะได้ฝากตัวเป็นสิทธเพื่อจะเรียนรู้เอาสิ่งที่เลิศนั้นเห็นได้ชัดว่าในประสูตรหนึ่งเยเมื่อพรามคนหนึ่งเขามาฟังพระเจ้าแสดงธรรมแล้วก็เรื่มสายมากครับแต่เขายังข้องใจอยู่สองลักษณะเพราะว่าในที่สาธารณะเช่นนั้นเนี่ยไม่สามารถแลเห็นหนึ่งนั้นได้คือลิ้นของโลงกับอวัยวเพศองคชาตครับ พระสูตรนี้บันทึกก็อย่างเป็นล่ําเป็นสันเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะฮะพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าจิตใจของท่านผู้นี้ขัดข้องอยู่ก็เพราะว่าสงสัยในลักษณะของท่านท่านก็เลยสำแดงอภิญญาให้ดูผมเรียนถามท่านอาจารย์สุโมกว่าพระเจ้าทําอะไรจึงให้พราม์นั้นเห็นท่านก็พูดง่ายบอกสงสัยพาไปดูข้างหลังวัดเท่านั้นแหละไม่ไม่ไ ม, ไม่คงไม่ในหมายถึงแสดงอภินิหารอะไรมากมาย ท่านก็แสดงในยะที่ค่อนข้างขันนะครับไม่จริงจังอะไรผมอย่าถือว่านี่เป็นข้อยุติแล้วนะฮะอาจจะมีวิธีแสดงมากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าผลของพระสูตรนั้นก็คือผลของการกระทําเช่นนั้นของพุทธองค์ก็คือพรามเมื่อได้เห็นมหาบุริตลักษณะครบถ้วนแล้วก็จิตก็ปลงในความเชื่อครับแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันในขณะนั้นนี่คือพระสูตรที่มาครับอ่อ <c oughs> ผมจะอ่านข้อความในพระสูตรนะครับลัคนาสูตรเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังได้มีจินตนาการถึงพระพุทธรูปเพราะว่า พ, พระพุทธรูปของทุกๆุกยุคสมัยนับตั้งแต่อินเดียตราบจงกทั่งประเทศไทยไม่ว่าสีวิชัยสุขโขทัยอยุธ ย, ยาจนลัตนโกศินนะฮะเราถือประ ฐ, ฐานของลัคนาสูตรคือสร้างพุทธรูปจากมหาบุริรักณ เขาม่ได้นึกกันเองนะครและเป็นสูตรที่สําเร็จด้วยครับแล้วจนกระทั่งเกิดภาษิตอันเนื่องกับพระพุทธปฏิมาแล้วก็จิตกรรมเกี่ยวกับพระปฏิมาแล้วฝาผนังนะฮะเช่นเราอาจเคยได้ยินบ้างที่พูดว่าถ้าฐานมันไม่ตรง อ, งองค์ตะแงคงเข้าใจไหเมื่อฐานพระไม่ตรงเนี่ย <c oughs> องค์พรมจะตะแคงด้วยแล้วก็เป็นภาษิตสอนใจว่าเมื่อหลักไม่มั่นทำอะไรก็พลาดไปหมด ถ้าชาติมันดีสีมันแดงเขาว่าอย่างนั้นชาติเป็นลูกชาดนะฮะที่ใช้วาดรูปชาติดีปัป้ายปั๊บจะแดงแจ๊ดนะครับถ้าฐานมันไม่ตรงองค์มันตะแงคงว่าอย่างนั้นเป็นกรอนมันนะฮะสาหรับพุทธ ร, รูปนั้นนะฮะลักษณะแรกนะครับเรามาดูคงต้องอดทนฟังแต่ผมคงไม่ต้องอ่านภาษาบาลีนะครับเพราะมันจะเสียเวลาเย่ยเยอะๆมากครับ ผู้ที่ต้องการศึกษาละเอียดก็เปิดได้ในลัคนาสูตรนะฮะทีคัติกายปาติกวักนะฮะเพื่อจะรู้ที่มาแรกท่านมีฝ่าพระบาทราบสเสมอกันนะครับและฝ่าพระบาทนั้นลายพื้นพระบาทเป็นจักจักผมไม่แน่ใจหมายถึงอะไรแน่ น, นะฮะแต่เชื่อว่าน่ า, นาจะหมายถึงอะไรนะครับว ง, วงทักษิณนานส้นพระบาทยาว มีนิ้วยาวเรียวนี่มีปัญหาอาจารย์อธิบายว่ามีนิ้วยาวเรียวเสมอกันดังนั้นเกิดการตีความว่าเสนอทางปลายหรือเสนอเสมอทางทางหนาคณาจารย์ที่เสมอทางปลายก็ปั้นพุทธรุปนิ้วเท่ากันเลยใช่ไหมฮะนี่ก็เกิดจากการตีความคนละอย่างครับอย่างพุทธรูปบางยุคนเนี่ยเขาไม่ได้ตีความอย่างนี้เขาตีว่านิ้วเรียวเสมอกันคือไม่เป็นเป็นตะปุ่มตะป่านะ มืนที่เขาเรียกเหมือนอลำเทียนอะไรนี้นะครับสม่ำเสมอเนี่ย <c> ฝ <oughs> าพระบาทและฝาพหัศอ่อนนุ่มฝ <c oughs> าพระบาทและฝาพหัสมีลายตาข่ายนะฮะ <c oughs> มีพระบาทเหมือนสังค่ําอย่างนี้นะฮะ <c oughs> อัฐิข้อพระบาทภาษาชาวบ้านเรียกว่าตาตุ่มนะครับ <c oughs> ตั้งลอยอยู่หลังพระบาทเคลื่อนไหวได้คล่องเมื่อทรงดําเนินผิดสามัญชน <c oughs> พระชงเรียวดุดแข้งของเนื้อสารคือน้องท่านไม่ได้ทู่อ้วนจำม่มไม่ใช่เ น, นั้นเราเราพยายามนิหาภาพพจน์ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์น้อยมากับแต่ว่าไหนๆก็หลวมตัวมาฟังแล้วก็เมื่อท่านยืนตั้งกายตรงนะครับพระหัตถ์ทั้งสองรูปจับถึงพระชานุจับถึงหัวเขา่ามือยาวมากครับมีพระคุยหะเรนอยู่ในฝักคุยหาคือองคชาตครับ องท่านมีพระชวีวันดุจทองคําตรงนี้เองครับที่มีนักนักคิดตีความว่าต้องผิวเหลืองเพราะว่าทองคําเหลืองแต่ผมจะท้วงติงนะครับคําว่าสุวรรณวันโนเนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงผิวเหลืองหมายถึงมีวันณะเปล่งประกายดุจทองคําถ้ารู้ภาษาอังกฤษก็จะรู้ว่าคําว่าก o l d กับ golden ในต่างกันครับท่านอาจจะมีผิวคล้ำก็ได้แต่ว่าสุขสว่างเรื่องรอง เปล่งประกายแต่บางพวกก็ถือว่านี่แหละคือมองกลลอยล่ะเพราะว่าผิวเหมือนกับทองคำทองคาเหลืองมีพระชีวิวันละเอียดนะครับทุลีละ อ, องไม่อาจติดพระวรกายเส้นพระโลมานั้นเฉพาะขุมละเส้นคุมหนึ่งกับหนึ่งเส้นข้อสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเห็นเคาลักษณะของชาติพันธุ์นะครับว่าพระโลมาดำสนิทนะฮะ ตรงนี้สำคัญนะฮะพระลมพระลมานี่ขนดำแขนเนี่ยนะดำสนิทไม่ได้เป็นสีทองเหมือนเผ่าอารยันหรือไม่ได้เป็นสีอย่างอื่นนะฮะพระกายตั้งตรงดุจเท้ามหาพรหมหลังไม่ไม่งอครับเมื่อเมื่อท่านยืนนั้นมีพระมังสะอุมเต็มในที่เจ็ดแห่งฝ่ามือฝ่าเท้าไหล่ทั้งสองและต้นคอครับ มีพระศลีลกายบริบูรณ์นะครับเหมือนท่อนหน้าแห่งพญาลาชสีผมก็นึกไม่ออกคงจะสง่างามมากมีพระปริสดานคือหลังราบเสมอพระวรกายดังปริมณทนแห่งพุ่มใสนะครับผมก็นึกไม่ออกว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่แต่คงหมายถึงงามสง่าทรงสร้างไม่ใช่ทุบตันหรือทู่อะไรทั้ ง, งนั้นนะครับ ลําะสาวกรมงามสม่ำเสมอทรงมีประสาทลับรถอันดีเลิศคางนั้นดุจโค้งเหมือนวงพระจันทร์ดุจคางของราชสีนะครับเหมือนที่เขาทำพุทธรูปเห็นไหมเขาจะทําโค้งวงพระจันทร์ด้วยเหตุจากพสุตแบบนี้ครับมีพระทนสี่สอันนี้ผมเองก็งงเข้าใจไม่ได้พระทนเรียบเสมอกันพระทนสนิทไม่ห่างเขี่ยวพระทนหนังสขาวงามบริสุทธ พระชิวหาอ่อนและยาวสุรเสียงดุดเท้ามหาคมหรือนกกาโวิกอันนี้เป็นวันในคดีนะครับหมายว่าเขาเชื่อว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดคือเสียงของคมและเป็นเสียงของนกกาโรวิกที่บินอยู่เหนือเมฆ อ, อ, อาจจะมีความหมายเป็นอื่นก็ได้ครับตรงนี้สําคัญอีกลักษณะหนึ่งนะครับคือมีพระเนตรดําสนิทพระเจ้าตาดําไม่ใช่ตาสีน้ําข้าวหรือตาสีน้ำเงิน ดวงทุเนตรจำสาสดุจลูกโคเพิ่งคลอดซื่อนะฮะมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงเวียนขวาที่เราเห็นเป็นจุดที่จริงเป็นจุดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อุณาโลมนะฮะจุดที่ผู้หญิงอินเดียเจิมนี่ยเขาเรียกดินหลกเวลาสตรีที่มีสามีแล้วเขาก็เจมิมแล้วก็ลอกเอาสีแดงๆพาดไปนะแต่อุณาโลมในพุทธศาสนาเนี่มีความหมายพิเศษมากครับพุทธชินราชแต่เดิมไม่มีอุณาโลมนะ ทำมารัชการที่สี่ทรงเห็นว่าไม่สมบูรณ์นี่ยังไงก็ไม่รู้ครับท่านเลยรับสั่งให้ประดิษฐ์ศิลปินให้ช่างเขาทำแล้วไปติดถ้าเป็นนเกเลงดังศิลปะจะรู้สึกว่ามันไม่สวยติดแล้วเหมือนเป็นแผลเป็นที่หน้าผากเพราะมันไม่กลมกลืนกนะันครทีนี้มีพระเศียงามนะครับบริบูรณ์ดุดประดับอุณหิตตรงนี้ก็ต้องตีความอุณหิตคือกรอบหน้าเหมือนที่ สตรีนระาสมนักหรือตัวละครก็ใส่กรอบหน้านะฮะเรียกอุนหิตดังนั้นประสียงามบริบูรณ์ดุดว่าประดับด้วยอุนหิตผมตีความและเชื่อว่าคงไรพระสกราบเรียบโค้งได้สับได้สวนเหมือนกับใส่กรอบแต่ว่าพุทธรูปในบางยุคสมัยเขาตีความทื่อๆก็เลยทำกรอบเลยครับท่านคงเคเห็นนะะที่ก็ทากรอบตรงนี้เลยกรอบผุ่ ม, มา สาลักษณะนี้นะครมีที่มาลักขณะสูตรทั้งสาสสองลักษณะไม่เอ่ยถึงพระสกเลยไม่ได้บอกพระสกเพราะเหตุผลว่าพระเจ้าทรงปรองผมดังนั้นจึงไม่เอ่ยถึงเลยทีนี้มีลักษณะอื่นนะฮะที่จะเทียบเคียงได้ก็คือลายพระสูตรบอกว่าเมื่อพระเจ้าในพระสูตรหนึ่งบอกว่าพระเจ้าชาติศัตรูนะคร หลังจากหลงผิดครบพ ร, ระเทวทัตคิดจะปรองพชนพระบิดาหรือปรองพชนไปแล้วแล้วก็พระเทวทัตก็ทําร้ายพระองค์ทําสงให้แบ่งแยกแล้วก็อาชาติศัตรูรู้สึกตัวขึ้นมาว่าคบคนผิดซึ่งเป็นโอกาสดีที่หมอชีวกโกมาระพัตได้ทูลเชิญให้ไปหานักบวชอื่นในคืนเดือนงานขึ้นเองอาชาติศตรูนั้นไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยนะฮะคิดไปหานักบวชทั้ง6กก่อนแต่เมื่อได้โอกาสดี หมอชีวกซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้าก็ทูลเชิญว่าทําไมไม่ลองไปหาพระพุทธเจ้าบ้างก็ตัดสินใจไปแต่ก็ด้วยความระแวงเนื่องจากตัวเองก่อกรรมไว้พกพระแสงก็ด้วยเมื่อไปถึงในที่ประชุมก็กุมพระแสงตลอดเวลาเพราะว่ามีผู้นั่งอยู่ในนั้นประมาณพันคนแต่งเงียบได้ยินแต่เสียงกระแอมกระไอเท่านั้นเองเพราะว่าทุกคนอยู่ในสมาธิทุกคนอยู่ในระเบียบวินยัยอันดีงามซึ่งพระองค์ไม่เชื่อเลยว่าคนจะมีระเบียบได้ถึงขนาด น, นั้น ตัวเองเชื่อแต่ดาบและอำนาจในการต่อสู้ดังนั้นกลุ่มประแสงตลอดเวลากลัวจะถูกหมอชีวกหักหลังทีนี้เม่เข้าไปที่วิชุมแล้วก็ไม่รู้ว่าองค์ไหนคือพระพุทธเจ้านี่บอกแล้วว่าพระเจ้าคงเหมือนเๆด้วนคนอื่นนั่นเองอไม่ได้มีหนามแหลมที่หัวหรือมียอดอะไรเหมือนที่เราเห็นในพุทธรูปจนกระทั่งหมอชีวกต้องชี้ให้พระองค์รับทราบว่าพระภิกษุองค์ที่นั่งพิงเสาดังองค์นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะนั่นเอง พระเจ้าชาตรูปรงนั้นเข้าไปทูลถามซึ่งเป็นโอกาสเดียวกับที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมอย่างวิจิตพิสดารมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านเพื่อช่วยกษัตริย์ผู้ทำปิตุฆาตนะนะให้พ้นจากขุมนรกจนเป็นเหตุให้เมื่อสแสดงธรรมจบแล้วเนี่ยพระานน์ได้สแสดงความพึงใจอย่างสูงว่าไม่เคยได้ยินการแสดงซึ่งละเอียดอ่อนและตั้งใจถึงขนาดนี้แล้วก็ทูลถามว่าคติของ กษัตริย์ผู้ปกครองรชนบิดานั้นเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าทรงตรัสเป็นสองทางว่าวันนี้ถ้าอาชาติรูไม่ปรองชีวิตบิดาอย่างน้อยสุดต้องเป็นโสกดาบันและอย่างมากต้องถึงที่สุดทุกต่อหน้าพระพักแต่เนื่องจากปรองชีวิตบิดาเมื่อฟังธรรมและเกิดปีติขึ้นมานึกถึงพ่อหนึกถึงพ่อหนึกถึงความชั่วที่ตัเองทากับพ่อก็เลยปิดกัน้นไม่ให้บรรลุความจริงเฉพาะพระพักนั้นเปนพระสูรีน่าสนใจน่าขึ่งมากถึงหนึ่งนื้น ผมได้สดแสดงลักษณะนี้แล้วทีนี้ก็จะพูดไปถึงว่าในในปัจจุบันนี้นะครับในประเทศเนปาลเนี่ยยังมีเผ่าหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือเรียกตัวเองว่าเผ่าศักยะซึ่งเป็นที่มาที่เรารู้กันว่าพระเจ้าเป็นชาวเนปาลแต่เหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าสมัยนั้นไม่มีประเทศเนปาลที่เมืองอันหนึ่งก็คือปรทสูตรนะครับ พระสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการอพยพของบรรพบุรุษของพระเจ้าที่เรียกว่าอัมพัทสูตรที่มาของอัมพัทสูตรก็คือเนื่องจากพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นกษัตริย์แล้วทรงออกบวชออกพนวดแล้วสอนซึ่งพวกพราหมณ์ถือเป็นการกระทําผิดวันณะอย่างรุนแรงครับอย่างพระภิกธสุสงก์กระทาผิดทางเพศก็เราถือเป็นประราชิกแต่ถ้าวรนนะของฮินดูแล้วก็ การที่กษัตริย์มาสอนทําน้าที่แทนพราหมณ์นี่มันรายย้ายยิ่งกว่านั้นอีกดังนั้นพราหมณ์ที่ชื่ออัมพัทธาเขาก็โกรธแค้นมากครับา ม, ามาหาจะเรียกมาเฝ้าไม่ได้คือมาหาหาแล้วก็พูดท้าทายว่าทำไมทำผิดวันนาสมอาจาระาผมเพิ่มคำอาจาระนะฮะวันนาวันณะนั้นเป็นอันหนึ่งนะฮะคือแบ่งชนเป็ น, ปนชั้นแต่วันนาสมอาจาระหมายถึงระเบียบปฏิบัติของคนแต่ละวันนะ ดังนั้นในอินเดียเนี่ยมีการบันทึกของนักปราชญากรีกว่าไม่มีทาตซึ่งเราไม่อยากจะเชื่อนะที่จริงทาตมันอยู่ในระบบวันนะดังนั้นเราจะไม่พบทาตเลยแต่ว่ามันเป็นทาตทั้งระบบเลยดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจสังคมอินเดียจะดีใจมากาดูที่เขาจเจริญมากไม่มีทาตุที่จริงเป็นทาตเป็นระบบอยู่วันนักที่ต่ำเนี่ยทําหน้าที่เหมือนกับทาตุมันเองแต่มาัตมาร์ันชีได้อธิบาย คมหายของวรนนาสมอาจาระไว้อย่างดีนะฮะแล้วท่านพยายามที่ยกระดับวรนละที่ต่ําที่สุดแล้วเรียกที่ใหม่ว่าหาริชนชนของพระเจ้าคือพวกสูตรผู้ชายแรงงานซึ่งถูกเหยียดมากนะและในสุดคันทีก็ถูกยิงด้วยเหตุผลที่พยายามยกระดับของชนวรรณะสูตรนี้เองไม่ใช่เรื่องการเมืองต่างประเทศนะครับโดยข้อแท้จริงก็คือเรื่องวรรณะนี่เป็นเรื่องรุนแรงมากในอะินเดียแม้กระทั่งทักวันนี้นะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับ คนไหนเป็นอาจารย์ที่เป็นพรามเนี่ยเขาไม่นั่งกินข้าวร่วมต่อกับอาจารย์ที่เป็นสูตรในโลกปัจจุบันในโลกที่เทคโนโลยีก้าวหน้าความรับรู้ต่อมนุษย์ฐานอันดรของมนุษย์ษยความสําคัญของชีวิตเนี่ยเดี๋ยวนี้อินเดียก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกี่มากน้อยแลครับยังหยิ่งหยามถ้าท่านไปอินเดียจะพบว่าตามฐานนี้รถไฟเต็มไปด้วยกระเบื้องทุกเบื้องดินเห็นไหมเกลือนก็เพราะว่าเขากินทีเดียวก็คว้างเลยเขาไม่ยอมต่อปากกับวันอื่นดังนั้นอาชีพทําไอ วยชาดินดินเผานะฮะง่ายมากแล้วรวยง่ายพร้อมใช้ทุก ว, วันเราจะพบความแปลกใจมากครับว่าเกลือนในตานสารีนะฮะก็กินครั้งเดียวขว้างเลยแล้วคนที่กินต่อเขาต้องต้องได้ถ้วยใหม่นะในพระสูตรที่เรืออัมพันธสูตรนรี่นะฮะพราหมณ์เขาตอบว่าพระเจ้าดังนี้นะครับบอกว่าถึาเมื่อตัวเองเป็นกรรษัตริย์ ทำไมไม่ทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินปกป้องราชอาณาจักรเ พ, พราะพวกพราหมณ์นั้นมีสูตรสําเร็จว่าเนื่องจากเขาให้รูปลักษณ์ของรัฐธมในรูปลักษ์ของเท้ามหาพรหมดังนั้นที่โอทของพรหมซึ่งเป็นสิ่งที่สูงเป็นสัญลักษณ์ของพราหมณ์พราหมณ์จึงมีหน้าที่สั่งสอนคัมภี์พระเวศกษัตริย์เกิดแต่พาหาของของพรหมแขนนั้นมีหน้าที่ฝึกเพลงยุทธและปกป้องดินแดน ส่วนวายศยะหรือที่เราเรียกว่าแพทย์ไม่ไม่ใช่แพทย์รักษาโรคนะคัวายศยะนี้เป็นชนชั้นกลางนั่นเองพวกพ่อค้าพวกพี่มีเฉลี่านาทุนก็ได้นะพวกนี้เกิดแต่บั้นเอวของพรหมดังนั้นก็มีหน้าที่ค้าขายส่วนสูตรเกิดแต่เท้าของพรหมสัญลักษณ์คือไม้ขานเลเบอร์ครับต้องใช้แรงงานเท่านั้น <S <S 1> <S 1> ทีนี้ท่านมาทําผิดวรรณะถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากพระเจ้าทรงตอบโต้ที่แสบเป็มากเนี่ย แต่คตตาําตอบโต้ในภาษาบาลีก็ค่อนข้างไพลาะแล้วลถ้าแปลเป็นไทยก็แสบน่าดูสงถามย้อนพราม น, นั้นว่าพรามเอ๋ยเธอเคยเห็นนางพระมณีตั้งครรภ์บ้างหรือเปล่าพรามนั่งบอกก็หลงกลทันทีก็บอกว่าเคยเห็นท่านซักว่าถ้าที่นั้นเนี่ยทุกทุกคนไม่ได้เกิดจากช่องคลอดของมารดาหรื อ, รอเจ็บมากครับกระแทกจะเจ็บแสบและเพื่อที่แสดงตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาของพราม ที่ด่าว่าผู้เจ้าเป็นพวกสมสู him, Superman, ่กันเองนะฮะเขาประนามผู้เจ้าเป็นพวกทําผิดบรรณะและเป็นพวกที่บรรพบุรุษเนี่ยสมสู่กันเองตลอดเวลาผู้เจ้าก็เลยต้องแสดงปรำประราคติเรื่องราวของบรรพบุรุษของท่านซึ่งเรารู้กันดีนะถ้าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมเลยว่านับตั้งแต่พระเจ้าโอกากราชซึงเป็นบรรพบุรุษเนี่ยที่คําว่าโอกากราชนี้เองนะครับถ้าเราไปอ่านใน พุทธจริกซึ่งเขียนโดยกวีคนสําคัญที่สุดของชาวพุทธคืออัส ว, โ ค, สวโคดนะฮะอาจารย์กรุณากรุศลาสายแปลไว้แล้วนะฮะน่าอ่านทีเดียรครับแม้จะเป็นบางส่วนเพราะว่าหลายส่วนหายไปจากโลกนี้เนื่องจากภัยสงคารามและเหตุการณ์กกรต่างๆอัสวโคดได้ตั้งต้นบรรพบุรุษของพู้เจ้าไม่ได้ชื่อโอกาการาชชื่ออิกวาคุเมื่อชื่ออิกสวาคุก็เป็นบรรพบุรุษอันเดียวกับพระรามแห่งอยุธยาครับยุ่งกันใหญ่เลยทีนี้นะครับ เมืท่านไม่อ่านประวัติของพระรามเนี่ยสอบสวนปนเปมากครับเพราะว่ามันลอกแบบกันไปลอกแบบกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครลอกใครกันแน่ครับเราไม่อ่านให้ข้อยุติได้ว่าชาวพุทธลอกประวัติของพระรามเอามาเป็นของพระเจ้าหรือว่าพวกเราวอดูลอกประวัติพระเจ้าไปเป็นประวัติของพระรามอิสวากรท่านอาจารย์สุนโมกได้แสดงมติว่าสองคำนี้เป็นคําเดียวกันฟังเสียงดูก็คล้ายกันโอกากะอิสวากรทํำนองนั้นนะฮะ นี่เป็นมติของท่านซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยนะครับแต่ว่าท่านแสดงมติอย่างนั้นแต่เห็นเข้ามากว่าอัศวโคตรกวีคนนั้นก็เริ่มต้นอย่างนี้อิศวากวู น, นั้นเป็นสาย พ, พันธุ์ของโซล่าไดนาสตีนะครับเป็นสุริยวงศ์ซึ่งต่อมาในวนรรณกรรมของเราจะเต็มไปด้วยเรื่องนี้นครับกษัตริย์สุรยิยวงศ์ือเปล่ชั้นสูงมากพระรามนั้นชื่อรามจันทราแต่เป็นสุริยวงศ์แล้วเมื่อพระรามไปยกศรชิงศรีดานะครับ กับเท้าชนกอะไรเี้ก็ซ้ำซ้อนกอัพุทธประวัติตอนที่ยกสอนเพื่อให้ได้ยะโสธราพิมพาหรือพัฒธธากัจจานะชื่อเดิมของพระนางชื่อพัท ธ, ธกัจจนาครับแต่ผมจะเล่าเรื่องที่สำคัญนะตอนที่ว่าพระเจ้าโอกาการาชทรงหลงภรรยาน้อยเรื่องนี้ก็ไปซ้ำกับเท่าทศรสครับเราทราบกันดีเท่าทศรสซึ่งมีมีบุตร จากมเหสีสีพระองค์นะครับมีไกเกียีซึ่งฝ่ายเราเลี้ยงไกเกศีนะฮะแล้วก็หลายคนผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่เมื่อได้ตกที่จริงราชสมบัตินะันชอบทำต้องตกกับพระรามซึ่งเป็นราชบุตรคนโตนะครับแต่ว่าด้วยโกลุบายของไกเกยีโดยอ้างถึงครั้งหนึ่งที่ในในราชการสงครามที่ตัวเองเมื่อรดล้อลถของสามีของเท่าทศรถหลวมริ่มสลักหลุด พนางได้เอาแขนตัวเองเสียบเข้าแทนเพื่อช่วยชีวิตสามีให้ชนะสงครามแล้วในสุดก็ชนะสงครามได้ทศรถก็ให้พรว่าให้ขอพอรพนางก็ไม่ขอบอกถึงเวลาจริงๆคือขอให้พระรามเดินป่าแล้วให้พระตะซึ่งเป็นลูกของตั ว, ตวครองราชแทนซึ่งไม่เด็นในเท้าทศรถหัวใจวายเพราะว่ารักพระรามมากแล้วก็ขัดตัวเองเป็นกษรรัสับกระสับแล้วคืนคาไม่ได้ในสุดก็ตรอมใจตาย เรื่องนี้ก็ไปซ้ํากับเรื่องของพระเจ้ากับสายพันธุ์ของพระเจ้าพระเจ้าโอกาก ร, ราตกปากตกคํากับภรรยาน้อยที่จะยกราชสมบัติให้แล้วก็จําเป็นต้องขับพระราชโอรสสิบพระองค์นะครับออกจากราชธานีกอลกันดุสินีปุระหัตถินีกะผมจาชื่อไว้ในหมดนะโอกาโอกากมุกนะฮะสี่ค น, ะคนแล้วพระราชธิดา หกครับพระราชาได้หกคนพระราชาองค์โตที่สุดชื่อปรีย า, รรยาพระราชบุตรทั้งหมดได้อยพยกออกจากเมืองประชาชนนั้นคร่ำครวญร้องไห้กันเพราะด้วยความรักอาลายัยเพราะพระราชบุตรองค์โตนั้นทรงศีลทรงสัตด์มากดังนั้นชาวบ้านก็ห่อข้าวของติดตามมาเรื่อยในพระสูตรเล่า ว, ว่าอบุยกมา สู่ตีนหิมาลัยผมใช้ภาษาชาวบ้านนะครับเชิงภูเขาหิมวันนะครับซึ่งอันนี้นถ้าเราไปที่นั่นเราจะพบมีร่องรอยชื่อพระอ่านวรรณกรรมนะไม่ว่าเป็นสุทนชาดกหรืออะไรเราจะพบว่าจะมีการออกติดตามหาเจ้าหญิงสักองหนึ่งจะไปถึงที่สระโปกคราีนะครับจำได้ไหมครัก่อนที่ถึงภูเขาจะถึงสระโปกคราีก่อนที่นี่นะฮะที่ในบานเส้นทางเก่านั้นยังมีร่องรอยนั้นอยู่ ตำบลชื่อปกค ร, รานยังมีอยู่ครับแล้วมีมีสะใหญ่มากเรียกเวว่าส ะ, สะน้ำจืดชื่อปกค ร, ราวคือบุษบาครับบุษบานี่ภาษาครั้งอดีตภาษาเวดิกก็แปลว่าดอกบัวปกคราบบุษบานี่ผันแปลงกันได้ครับปรับกันได้ซึ่งมีพูยภาคที่ร่มรื่นมากในครั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะฮะต้นมาให้ถูกคนเป็นเป็นแสนแสนไร่แลเมื่อพระราชบุตรนั้น เห็นว่าประชาชนที่ออกติดตามพระองค์พระองค์งท่านมานะมีจํานวนมากและเกิดทุกขเวทนาเนื่องจากอาหารสเสบียงกลางในสุดจําเป็นที่จะต้องตั้งเมืองขึ้นเพื่อให้ประชาชนนั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขในช่วงนั้นเองไปเดินทางไปถึงตีนิมาลัยในเขตของบารมีของกบิ ล, ลดาบทคือมีฤาษีตนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนชาวบ้านปา่าง ดังนั้นต่อมานครนั้นยังชื่อกระบินละพัดเป็นวัสดุที่ตั้งของกระบินลดาวบุเนื่องจากพระราชบุตรราชิดาทั้งสิบพระองค์นั้นนะครับมีความยิงธนงในสายเลือดมากเป็นค้าวเงินดิพ้านหนึ่งเดินทางมาจากไหนถูกขับไล่มาจากที่ไหนนี่สําคัญมากนะแล้วความยิงในสายเลือดนี้เองนะฮะสืบทอดมาจนถึงพระเองค์ จนกระทั่งเมือ่อพระเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมม า, าวุฒิเจ้าแล้ววางระเบียบวินัยของการบวชแล้วนะยังข้อยกเว้นให้พวกศักยะเลยนะเ พ, พราะพระองค์ทรงทราบดีถึงนิสัยที่ลั่นวาจาแล้วจะไม่คืนคำยอมตายดีกว่าเสียคำพูดนะฮะดังนั้นเองจะมีข้อยกเว้นนะวินัยสองนั้นเมื่อคนจะมาขอบวชพระองค์ท่านจะให้ทดลองสเดือนให้เป็นคนวัดก่อนเมเห็นความพฤกษเรียบร้อยมารยาท ด, ดีเคารพสงฆ์ดีเชื่อฟังดีก็จะปรับ ขึ้นมาเป็นนักบวชเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาไม่ได้บวชปีแผลมเหมือนทุกวันนี้นะแต่ยกเว้นกดนี้ยกเว้นเฉพาะพวกศัตกยวงศพราถือว่าถ้าเขาจะบวชแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนใจเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเท้ามาหานามฮนะถึงขนาดเมื่อหลานบุญธรรมล้านตัวขอให้กินอาหารร่วมเพราะคนต่างเป็นคนต่างวัฒ น, น์กันถึงขนาดปลดมวยผมแล้วผูกคอตายเลยคือความทนงในสายเลือด ซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าสู่รายละเอียดเล็กน้อยในช่วงที่ว่าเหตุใดเผ่าศักยะจึงถูกทำลายล้างโคตรเผ่าพันธุ์หมดสิ้นไปจากอินเดียนะฮะซึ่งเนื่องกับกษัตริย์หนุม่มองค์หนึ่งซึ่งระอายต่อชาติกำเนิดของโรงท่านนะฮะรพระชบุตรพระธิดาของโอกาการาชนะฮะโดยความหญิงในสายเลือดก็สมสู่กันเองนี่คือคาเล่าของพระเจ้าต่ออัมพัตุพรามโดยเว้นพระพคินีเธอ องโตสุดไว้เป็นที่เคารพบูชาคือพระนางปริยาเขา้าใจไหมฮะเว้นไว้องค์หนึ่งต่อ น, นั้นก็สมสู่กันเองเอแล้วก็สืบทอดโดยไม่ยอมให้คนปนเปื้อนกับชนเผ่าอื่นเลยนะฮะและดังนั้นเองนะครับเมื่อข่าวเรื่องลือไปกลับไปถึงพระเจ้าโอกากับกษ ร, ราอีกทีหนึ่งว่าทั้งทั้งที่พระองค์ท่านกันยังรักราชบุตรพระราชธรราชิดาเป็นอย่างมากนะฮะแต่จําเป็นต้องทําตามคําสัญญาที่ให้กับเมียน้อยดังนั้นพระองค์ท่านเลยอุทานาว่า กุมารแกมาลีช่างอาถารจริงหนอนะนั้นต่อยคําว่าศักกะนี่ยศักทะ์ยานี่ถึงหลุดออกจากป่ากนี่ทฤษฎีแรกครับว่าเป็นเผ่าศั ก, กะยะด้วยเหตุที่เป็นผู้กล้าหาญแต่อีกอันหนึ่งก็คือฐานที่ตั้งกั บ, บิลพัทเป็นดงป่าศา ก, ากดังนั้นสองสองหลักฐานนี้นะที่บอกอันเป็นเหตุให้นักโบรางคดีหรือนักคิดกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า พระพุ ท, ทเจ้าชาติพันธุ์ของท่านน่าจะเป็นสกิโตปาเทียนครับมีคนเผ่าหนึ่งเรียกตัวเองว่าสกะสกิเทนฉันพวกนี้เป็นคน อ, อยู่ตามแถบถ้าเดียวนี้ก็หมายที่เรียกบัคเตียหรืออัฟกานิสถานตอนบนครับเป็นคนที่รูปร่างงามและชอบทํานาและชอบขี่มา้าข้อน่าสเกตันหนึ่งนะเมื่อสืบสันติวงศ์ของสายพันธุ์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยจงทั้งมาถึงพระเจ้าสุดโทธนะและอมิโตทนะ สักโกทนาะโทโตทนาคำว่ทนาะโอทนาะนแปลว่าวข้าวครับ น, นั้นชื่อของญาติวงศ์ท่านเนี่ยเนื่องกับข้าวทั้งนั้นเลยครับสุดโททนะแปลว่าวข้าสวสุดข้าวบริสุทธิ์สุโกธนะข้าวขาวมีโตทนาะข้าวที่ไม่รูประมาณซึ่งน่าคิดและน่าประหลาดมากครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าเล่าให้ชาติกําเนิดท่านให้ฟังว่าเป็นชาวไหนท่านบอกว่าชนบทที่อยู่เชิงผาหิมวัน เป็นถิ่นสมบูรณ์ด้วยความเพียรเครื่องหาทรัพย์หมายความที่นั้นสุขสมบูรณ์ทางด้านเกษตรกรรมมากคือถ้าขยันเป็นนั้นว่าอยู่รอดนะฮะละยังมีเรื่องที่ผมอยากจะให้เราไปฟังอีกเล็กน้อยนะครับก็คือกล่าวถึงพนางปิยานะฮะพนางปิยาซึ่งเป็นพี่สาวคนโตที่สุดต่อมาไม่นานรงท่านทรงเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดคือโรคเรื้อนครับ ดังนั้นพี่น้องสักยะอื่นก็จาเป็นต้องนำไปอยู่ป่าโดยขุดรูลงในดินนะฮะแล้วก็ปล่อยพนางไว้แล้วเอาหินปิดกัน้นเพื่อไม่ให้สัตว์ร้ายเข้าไปทำร้ายนางเพื่อกันไม่ให้โรคระบาดไปสู่ประชาชนนะฮะแล้วก็ผลัดเวียนกันมาอาหารมาให้พี่สาวคนโตนะเป็นช่วงๆอยู่ในดงป่าแห่งหนึ่งใกล้กับนครกบิลพัฒน ต่อมานะครับจะมีกษัตริย์ของกรุงพาราณสีที่ชื่อรามาคนละพระรามกอโยธยานะป่วยเป็นโรคนี้เหมือนกันครับและพระราชโอรสก็พามาปล่อยในป่านั้นเหมือนกันแต่เนื่องจากพระรามนั้นเป็นผู้ที่รู้รเรื่องโอรสเรื่อง